สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซตูตอนที่หนึ่งร้อยสี่นะครับความสว่างของโลกพระเจ้ของพระเจ้าในเช้าวันนี้นครับอยู่ในมัทธิวนะครับเหมือนเดิมครับมัทธิวบทที่ห้าข้อที่สิบสี่ถึงสิบหกนะครับมัทธิวบทที่ห้าข้อที่สิบสี่ถึงข้อที่สิบหกครับฟังพระเจ้าของพระเจ้าครับท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้จอมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทําเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์พี่น้องครับบริบทนี้นะครับ เป็นบริบทความสว่างของโลกซึ่งต่อจากเกลือของโลกเหมือนกันนะครับเราเห็นว่าพระเยซูนั้นทรงเน้นเรื่องอความมีความมีอิทธิพลครับหรือก็เรียกว่าเป็นประสิทธิภาพของคริสเตียนนะครับที่จะส่งศักยภาพประสิทธิภาพเหล่านี้นะครับให้กับชาวโลกพี่น้องครับเราเห็นชัดเจนนะครับว่าพระเยซู บ, บอกว่าให้เราเป็นเกลือนะครับให้เราเป็นแสงสว่าง ในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ12ครับพระเยซูตรัสว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามานั้นจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตที่นี่พระเยซูได้บอกว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งความสว่างนะครับเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นความสว่างของโลกพี่น้องครับเราทั้งหลายจะเป็นความสว่างของโลกได้ก็ต่อเมื่อเราได้เป็นผู้สะท้อนความสว่างของพระองค์นะครับ นั่นก็ทําให้เราได้ถอยกลับไปถึงหลักศาสนาที่สำคัญก็คือเรื่องของ Im มเมจออฟก็สนะครับก็คือพระฉายของพระเจ้าพระเจ้านั้นได้ทรงสร้างมนุษย์ึ้นมาและพระองค์บอกว่าพระงสร้างมนุษย์ตามพระฉายหรือว่าพระฉายาของพระองค์นั่นหมายความว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้ที่สะท้อนนะครับสะท้อนพลักษณะของพระองค์ออกมาอาดามวีวามนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าได้ทรงสร้างนะครับ ก่อนที่เขาจะตกลงสู่ความบาปนั้นเขาได้เป็นผู้ที่สะท้อนครับสะท้อนพระสิริของพระเจ้าคําว่าสะท้อนพระสิริของพระเจ้านั้นทําให้เราเข้าใจนะครับก็เหมือนกับเป็นกระจกเงาครับเมื่อเห็นภาพสะท้อนของเราในกระจกภาพนั้นไม่ใช่ตัวเราจริงๆหรอกครับนะครับแต่เป็นแค่สะท้อนตัวเราท่านนั้นเองพี่นะครับเราเองนั้นจึงเป็นผีพากของพระเจ้า เราจาเป็นอย่างยิ่งที่จะจะต้องสะท้อนนะครับรลักษณะของพระเจ้าออกมายิ่งไปกว่านั้นครับเราเป็นลูกของพระเจ้านะครับเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้านั้นชีวิตของเราที่มีอิทธิพลต่อโลกก็จะทำให้คนอื่นนั้นสามารถเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราแล้วจะต้องเป็นผู้สะท้อนความสว่างของพระองค์ครับแสงสว่างในผู้เชื่อไม่ได้ก่อกำเนิดมาจากตัวเขาเองแต่มาจากแสงสว่างของพระเยซูนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อแสงสว่างของเรานะครับปรีนิปรีลงแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเราไม่ได้ใกล้ชิดกับพระเยซูเท่าที่ควรครับเราไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเยซูเท่าที่ควรเราไม่ได้ใกล้ชิดกับข้อชนะพระธรรมของพระองค์อย่างเพียงพอพี่น้องครับเมื่อเป็นอย่างนั้นชีวิตของเราก็ไม่สามารถเป่งแสงสว่างของพระองค์ได้นะครับแสงสว่างมีไว้ทาไรครับ แสงสว่างนั้นมีไว้เพื่อที่จะให้คนเห็นนะครับจะนำทางนะครับจะเตือนว่าอะไรอยู่ข้างหน้าเราต้องระวังนะครับจะทำให้เราตระหนักถึงความมืดครับพระเยซูคริสต์นั้นทรงมีความมุ่งหมายที่จะให้สาวกของพระองค์นั้นเป็นผู้แนะนำเป็นผู้ตักเตือนนะครับเป็นผู้บอกถึงอันตรายที่อยู่ข้างหน้าเหมือนกับเป็นแสงสว่างที่ส่องตามทางเดินนะครับทำให้คนทั้งหลายนั้นตระหนักถึง ความมีอันตรายนะครับฝ่ายวิญญาณหรือความมืดฝ่ายวิญญาณหรือกับดักที่อยู่ข้างหน้านะครับท่านอาจารย์โกโลอรัตวาโลได้กล่าวไว้ในพระธรรมปิศปฤฤีบทที่สองข้อสิบห้านะครับท่านกล่าวว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งอยู่ท่ามกลางพงพันธุ์ที่คดโกงและวิปลาสนะครับพงพันธุ์ที่คดโกงและวิปลาสนั้นก็คือคน ทั้งหลายที่เราจะต้องเปล่งแสงสว่างให้เขาเห็นนะครับเหมือนกับเป็นแสงสว่างของโลกเียครับในข้อที่สิบสี่พระเยซูตัดกับเสาของพระว่าพวกเขานั้นเป็นเหมือนนครซึ่งอยู่บนภูเขานะครับในสมัยก่อนนั้นเมืองต่างมักจะสร้างบนภูเขาครับทําไมต้องสร้างบนภูเขาครับเพราะว่าเป็นเทภูมิที่ดีเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ข้าศึกโจมตีนะครับตำแหน่งที่ตั้งสูงกว่าอื่นๆเื่นอื่น จะทำให้การสุขภาพวิบาลดีกว่านะครับสามารถที่จะมองเห็นได้ชัดได้ไกลนะครับนับนับเป็นสิบสิบกิโลได้นะครับในการที่เระยชูยกเรื่องนี้ขึ้นมาเปรียบเทียบท่านเพียชูกำลังบอกกับสาวกของโปรงรวมทั้งเราทั้งหลายนะครับว่าเราจะต้องเป็นบุคคลที่คนอื่นเห็นได้ชัดพี่น้องครับเราจะต้องโปร่งใสนะครับ transparency นะครับเราต้องมีทำมรริบาลครับก็คือต้องมี พจนะของพระเจ้านะครับเป็นเครื่องนําทางในงการใช้พระเจนะของพระเจ้าในการปกครองคนอื่นนะครับในการหนุนใจคนอื่นในการที่จะมีชีวิตที่มีอิทธิพลต่อคนอื่นนะครับในข้อสิห้าพระเยซูก็อธิบายเพิ่มเติมว่าแสงสว่างนั้นมีจุดหมายครับพระเยซูทรงใช้ตะเกียงดินเล็กๆที่ให้แสงสว่างในบ้านนะครับในสมัยปาริสไกนั้นพระองค์ยกเป็นตัวอย่างขึ้นมา บ้านของชาวป า, ลาเลสไตน์เรานี้จะบืดมากครับแล้วก็จะมีหน้าต่างกลมๆเล็กๆ เ, เพียงบานเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะตอนยังคืนนั้นหนาวมากครับเพราะฉะนั้นการมีหน้าต่างเล็กๆ ก, กลมๆนะครับต้องต้องเป็นที่ที่หลบหนาวได้นะครับในขณะเดียวกันครับเมื่อจุดตะเกียงน้ำมันนะครับตะเกียงน้ำมันเล็กๆนั้นจึงเป็นแสงสว่างสําหรั บ, บบ้านทางบ้านครับหรือห้องทั้งห้อง ตะเกียงเหล่านี้มีรูปร่างนะครับคล้ายๆกับเป็นรูปเรือเล็กๆนะครับแล้วก็เติมน้ํามันข้างในนะครับและมีไส้ตะเกียงลอยนะครับถ้าตะเกียงนี้ดับนะครับจุดหมายยากครับเพราะฉะนั้นถ้าครอบครัวจะต้องออกจากบ้านในตอนเย็นพวกเขานะครับจะต้องเอาภาชนะดินครอบไว้เพื่อให้ตะเกียงนั้นจุดทิ้งไว้ได้โดยไม่ต้องเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้นะครับพเปโตรทรงใช้ตัวอย่างนี้ครับให้คนอื่นเห็นแสงสว่างนะครับในตัวของสาวก พี่น้องครับเราจะต้องวางตะเกียงของเรานะครับไว้บนที่สูงเพื่อที่จะทอดหรือทอแสงออกไปให้ไกลนะครับไม่ใช่เอาถังครอบไว้เึ่งตะเกียงในบ้านสมัยนั้นนะครับมักจะเป็นหินเล็กๆที่ทําเป็นหิ่งยื่นออกมาจากฝาบ้านนะครับเป็นภาพนะครับแพราะว่าที่ฝาบ้านนะครับก็จะมีเอ่อเป็นหิ่งเล็กๆนะครับแล้วก็เขาก็จะเอาอ่ตะเกียงเนี่ยวางอยู่ตรงหิ่งที่ยื่นออกมานะครับ พี่น้องครับเราเห็นชัดแน่นอนชับว่าซวิตของชาววกของพระเยซูนะครับก็คือพวกเราทั้งหลายนะฮะเราจะต้องไม่ให้เอาใครไม่ให้ใครเอาถังมาครอบเรานะครับเราจะต้องวางตัวเองนะครับอยู่ในเชิงตะเกียงเพื่อที่จะส่องสว่างให้แก่ทุกคนได้นะครับในข้อที่สิบกนะครับพระเยซูสอนต่อไปนะครับบอกว่าทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนอ่นเพื่อ เมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทําเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวนพี่น้องครับเราจะให้คนอื่นสรรเสริญพระเจ้าได้อย่างไงครับก็คือเราจะต้องทําความดีนะครับเราจะต้องมีชีวิตที่มีทิพย์ผลต่อเขานะครับเมื่อเขาเห็นชีวิตของเราสิ่งที่เราทํานะครับเขาก็จะสรรเสริญพระเจ้านี่คือสิ่งที่ทําให้เราทั้งหลายถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับและเราสามารถที่จะชักจูงให้คนอื่น มาถวายเกียรติพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วก็ทําให้คนอื่นนั้นสรรเสริญพระเจ้าของเราด้วยเช่นเดียวกั น, นกผ่านอะไรครับผ่านความดีที่เราทําผ่านชีวิตที่เราอิทธิพลต่อโลกผ่านชีวิตที่เราเป็นเกลือแห่งทันินโลกและเป็นแสงสว่างของโลกขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านในการที่เราจะมากลับมานั่งดูชีวิตของเรานะครับทําไมเราจะต้องให้ความสว่างของเราส่องแสงออกไปครับคําตอบก็คือเพื่อถวายเกียรติพระเจ้า เพื่อให้คนอื่นนมัสการพระเจ้านะครับเพื่อให้คนอื่นขอบคุณพระเจ้าครับนะฮะเพื่อให้คนอื่นสรรเสริญพระบิดาของเรานะครับเพราะงั้นเราจะให้ความสว่างครับนะครับของเราส่งสว่างได้อย่างไรครับก็คือให้พยายามนะครับทําการดีนะครับก็ทําการดีนะครับในพระนามของพระเจ้านี่นะครับคือแนวทางการนําไปใช้ครับในวันนี้ ขอพระเจ้าได้ให้ความเมตตากับเรานะครับปลวยพระพรเราในการที่เราจะสแสวงหาที่จะทำดีให้กับคนอื่นครับเพื่อที่เราจะสะท้อนพระสิริของพระเจ้ากัาเราจะถูกสร้างโดยพระฉายของพระเจ้าเราจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสะท้อนนะครับให้เขาได้เห็นประคทึกในตัวของเราอาเมน